อีกสักสิบนาทีฝั่งโน้นเขาจะเทศน์คนตายฝั่งโน้นพวกเราก็คิดว่าถ้าใครที่เคยคิดว่าไม่มีเพื่อนตายวันนี้เรามีเพื่อนตายแด่๋ยจะเพิ่งตามเพื่อนไปนะ เ, เ, เป็นชาวต่างชาติส่วนมากชาวญี่ปุ่นเกษียณแล้วจะมาอยู่บ้านเราฝรั่งก็เหมือนกันพอค่าใช้ใจ่ายถ้าเขาชีบมันถูกต้องอย่ามันถูกเข้ามาสู่เรื่องเราบ้างก่อ น, นที่ไปเรื่องเรา พวกนี้แจ้งให้ทสามไม่ได้รับบินาบานไม่ได้อยู่ชันเพราะว่าจะต้องขึ้นไปปางเกิดพวกนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของอปูบูเขตปฐมศิลป์เก้าสิบปีเต็มเดว่าเป็นเก้าสิบปีที่กายสังขารวจีสังขาร ทำนาทีน้อยมากหรือแต่มโนสังขารก็เป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างว่าชีวิตคนเราเขามนุษย์นะโดยเกณฑ์ก็เจ็ดสิบห้าถ้าผู้ชายเป็นหลักก็แปดสิบถ้าออก7จสิบห้าเป็นเกณฑ์ทำไมต้อง 75? เจ็ดสิบ้าเขาบอกว่า พอเรา 2,500 กว่าปีมาแล้วแปลว่าครบ100ปีเขาก็จะลบออก1ปี 1,000 ปีก็10 2,000 ปีคือ20 2,500 ปีคือ25งั้จาก100ปีเขลบออก25ปีก็เหลือ75อันนี้คือเกณฑ์ที่เขาคิด แต่มันก็ไม่แน่ผู้เจ้าทั้งแปดสิบยงหลวงพูเราตั้งเก้าสิบยังมีหลายองค์ที่เกินเก้าสิบแต่ว่ากายสังขารมันก็ไม่ไหวแล้ววิจีสังขารก็เลยทต่มาโดโสังขารเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของเราก็คือต้องโอภาริยโก จะหรือใครก็แล้วแต่พวกอ่ะวันนี้เป็นวันเกิดคงกันหน้าหมายถึงวันลืมตาดูโลกนี้ชาตาแปลว่าเกิดแล้วคนนั้จะไปวันอย่างนั้นจะเร็วกว่าวันคล้ายวันเกิดแต่อย่าให้พวกเราคิดไกลไปกว่านั้นอย่างหลวงพ่อคิดมันได้คิดแค่นั้น อย่างนี้เป็นวันถวายพระเพลิงพุทธเจ้าวันนี้หลังจากที่บริพารไนแปดวันพูดยังไงคือสินที่แล้วเป็นสาระสินที่แล้วควิเชีค่ะเป็นวันเพลิแล้วก็เป็นวันแรมทําไมต้องรอต้องแปดวันเหตุกระหม่อมว่าต้องรอพระมหากระสับ ว่คนที่จะเผาผู้ที่เจ้าก็ถวายพระเพลิงพวกงานจุดไฟก็คือมหากรรษตรปะคือเป็นภรตเถระผู้ใหญ่ในขณะนั้นมหาเกษตรป่านี้ใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดผู้ทีเจ้าแลกสังขากันมอบสังขารติให้เป็นองคนสําคัญเป็นผู้ทรงเจิตวณเศร้าหมองเป็คนเรียบง่ายอยู่ง่ายเป็นพรถระผู้ใหญ่แล้วก็มาก็ไม่ได้เผา ไฟก็ลุกขึ้นเองว่าทาไมต้องเป็นพาก็สปะทําไมต้องเป็นที่นั่นก็เพราะว่าท่านอธิษฐานกันมาก่อนแล้วใครจะเป็นคนเผาใครจะเป็นคนอุ ป, ปถัมากใครอยู่ซ้ายใครจะอยู่ขวาได้อธิษฐานร่วมกันมาเนื่อนานแล้วไม่ใช่ว่าเออทาคนเยอะแยะทําไมต้องไปรอคนเดียว มันมีเหตุมีปัจจัยก็เลยจำเป็นทั้งบอรประมาณ ก, ก็จะปะันี่คือที่มาส่วนที่เผานั้นตรงที่ปริพารตรงที่พระองค์นอนนั่แหละถ้าใครไปเห็นมันคงพระนอนยาวระหว่างตนสาระต่างโขดนั่นคือที่ปริพารพอหงายคือตายถ้าเป็นท่าบ้นทัน่วไป ลังจกนั่งเคลื่อนสอยระสังคารไปที่เมือกดพ่นธนท์เจดีคาาที่ตะวันออกณที่นั้นก็เป็นที่ท่านต้องการที่จะเผาตรงนั้นและที่ตรงนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยอดีตชาติเป็นเมืองกุสาวดีที่เป็นกุศนาราุกวัน เดินี่เป็นเมืองกู้สาวดีกระทานอธิฐานว่าถ้าจะเผาตัวนี้ภาพตัวนี้เพาตัวนี้คนที่เผาตรงนี้แต่มันมีเหตุปัจจัยหลังจากนั้นกิย้ายเริดเสร็จก็ถวายพระเพลิงก็แบ่งพระอธิษฐานกันก็จะเืมอยาวไปเล่าเรื่องยาวสรุปก็คือวันนี้วันถวายพระเพลิงเราเรียกว่าอัฐมีบูชา จริงมันไม่ได้มีความหมายอะไรฮะอธาคือแปลว่าแปดเนี่ย ว, วันที่แปดแปดแปดคงเดือนหกนคือวันนี้ก็คือพึกสภานี่คือความสำคัญในวันนั้นวันนี้วันคล้ายมันเกิดเราอยากจะให้มองอย่างนี้สิ่งที่ตรงกับพระเจ้า ของพุทธพุทธสอนคือคำว่าวันเกิดของพระพุทธเจ้ามไม่ได้แปลว่าเกิดแก่เจ็บตายอย่างอยาที่เราเข้าใจพระพุทธสอนให้เราให้เห็นการเกิดแก่เจ็บตายกันาภาษาภาต้องเรียกว่าใจรักหรือสามัญยกษณะ ใคักนรกเป็นอาสารอย่างเสมอกัาหอดนี่ใครอีกเรื่องเขกดข้อนี้ไปได้ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะนั้นสิ่งจะพระองค์มองไม่ได้แปลว่าเกิดเป็นคนเป็นสัตว์อย่างเดียวเรบอกไว้ว่านะเวลานี้สมมติว่าพูดเจ้าเมือ่อกี้เราพูดถึงการสอนสอนผู้ใจมไม่ได้สอนเรื่องอดีตไมไ่สอนเรื่องอนาคตนะต้องเข้าใจตรงกันอรงนี้ก่อนนะหลักการสอนคำพูดงา่ดงายคือออกมาใช้ ไม่ได้ไปแชรกับอดีตไม่ได้แชรกับอนาคตผู้ชาวบอกกำหนดปัจจุบันคือสอนปัจจุบันอดีตังนาวาขเมยะนัปนติกขึ้นอคอานักตังอันนี้คือเป็นภาษาบาลีภาษาเราคืออดีตที่มันอดีตังนาวาขเมยยะก็อย่าไปพูดกล่าวอ้างถึงอดีตไปเลยอะอดีตังเราเนีปติกขึ้นอนาอนาคตก็เหมือนกัน จะเป็นลังเลสงสัยเพจะไม่เกิดประโยชน์อันไดตัวที่เป็นประโยชน์ก็คือปัจจุบันพระพจ้าเขาให้ดูปัจจุบันไปนั่นงคาว่าเกิดในตอนนี้ถ้ามามุ่งปฏิชาติที่เกิดเป็นคนมันก็ได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเรามุ่งปฏิจิตของเราเนาะมันมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรตั้งอยู่แล้วมันดับไปในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะนี้ อย่าพูเรื่องพ่อพุทธครรนนำในเบื้องต้นว่ามันก็มีเรื่องปรุงก็มีสามเรื่องกันนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารคือเคริ่งปรุงไม่ได้เปรังกายก็ปรุงเรื่ อ, ง เ, อ, ง, องเรื่องกายรือกายสังขารว่าชีสังขารเรื่องกราจารังมโนสังขารคือใจสิ่งที่เราต้องปรุงอามปรุง ผลองการปงก็เป็นอย่างไงก็สุขทุกขะเฉยๆอันนี้ตั้งหาที่ต้องการให้เราเห็นการเกิดขึ้นไปเราดับไปเราจรึงเรียกอารมณ์มว่าอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าใครเห็นอารมณ์อันนี้เร็วที่สุดเท่าที่เราเห็นการเกิดขึ้นของมันเห็การดังอยู่เห็นดับไปของมันเป็ยไงทําให้เกิดดับเร็วเหมือนจุดไฟเผาปุ๊บยังไม่ลุกอย่างแะไรแล้วรีบดับเลย ไฟมันก็ไม่ลูกลามเนี่ยวถ้าเรจุดเราเกิดเฉยไปเลยจุดติดด้วยไม่มันก็ลูกลามไปมันไม่ใครก็ไม่เราให้ตัวเราเ่นแหละไม่ได้ไม่ใครคือทําให้เราเดือดร้อนเนียประเด็นคือตรงนี้นั้นถ้าใครเห็นการเกิดขึ้นดำอยูแล้วถ้าห้เร็วหนทุกเรื่องสุขทุกข์จะไม่เกิดคือมันจะเกิดไม่ทัน มันสวยไม่ทั น, นสวยอารมณ์นั้นไม่ทันคือระวางได้ทันทีคือวางได้ก่อนเพราะนั้นเราต้องการฝึกจิตของเราให้เป็นลักษณะอย่างนี้มันจะได้วางอารมณ์ได้เพะนั้นวิธีฝึกก็คือถ้าจิตของเรากลับไปอดีตคือกลับไปคิดเรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องเดิมอะไรก็ไม่รู้ ตั้งสติใหม่อนามาเรื่องจบไปแล้วนะเรื่องอดีตนะเรื่องวันวานนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้ก็ตัดออกเรื่องพรุ่งนี้เรื่องอนาคตก็จะเหมนกันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตัดออกเอาปัจจุบันเนะี่ยปัจจุบันคิดอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่กําหนอดอะไรอยู่นี่คือการฝึกสติจดจ่ออยู่กับปัจจุบันต่อให้คนนี้ สามารถนั่งแล้วเป็นมิตรคือ ใ, ใช้ิมิตรได้คำว่านมิตรอันนี้หมายถึงรูปก็มีเสียงก็มีตัว่นก็มีจะเป็นนมิตรมีหลายอย่างรูปก็ก็เป็นภาพมากำหนดแลแต่เสียงออกมาเป็นเสียงเสียงสอนเสียงอะไรเสียงแววสอนทำก็มี เสบาร์จัง ก, ก็เป็นเสียงที่ไม่ใช่คนตัวนี้อันนี้มีที่เป็นเสียงที่เป็นกลิ่นนม่กันเช่นเดียวกันทางกลิ่นดีขึินไม่ดีขึินหอมขล้นเหม็นมันจะมาเป็นกลิ่นบางทีถ้าเป็นดันจนทนไม่ได้ทน ไ, ไดทนไม่ไหวดูไม่ได้ต้องออกจากสมาธิพอออกแล้ ว, ล ว, วก็ไม่เป็อะไรอันนี้เป็นทนเกิดมาเ่าเป็นมารเพื่ ทำลายสมาธิของเราเนี่ยทรเป็นพิธีพิธีงสมมติเราเป็นโรคเนี่ยคือเราสามารถกําหนดเราใช้คาว่ากําหนดกำหดทำให้มันเกิดได้มาตั้งอยู่ได้าหมันดับได้อย่างนี้ไปก่อนแล้กวก็อยู่กับนิมิตอ้อยู่กับนิมิตอันคืออยู่ด้ความมีสติซึ่งต่างกับเคย เ, เ, เปรียบเทียบให้ฟั ง, งเสมอ ว, ว่าคนนอนหลับมันก็จะเป็นนิมิตเหมือนกัน แต่อินมิตอันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายหมายคือว่าสติมันไม่ได้ครองร่างในขณะนั้นมันเหลือแค่เวทนาสัญญาณการยืนยัน ส, ส่วนรูปถ้ามันที่อะไรไม่ได้คือร่างกายของเราผู้ให้คนนอนหลับเนี่ยแต่มันอาศัยรูปที่มันเขาเรียกว่ามนโนภาพอ่ะคือภาพที่ใจมันนึกนึกขึ้นมามันก็เป็นภาพเป็อมอนมโนภาพอันนั้นคือคนนอนฝันแต่มัน ม, มีสติ จะทำอะไรไม่ได้หมายความนึกภาพได้ขึ้นมาภาพอนั้นนีต์จะปรากฏนึกภาพอะไรก็ว่าภาพนั้นจะปรากฏ ไ, ไปเรื่อยๆไม่รู้กี่ภาพไม่รู้กี่เรื่องแต่สมาธิเราสามารถทธิกำหนดได้เพราะมีสติมาที่กำหนดตัวได้นั่นก็แปลว่าสามารถที่กำหนดให้มันเกิดได้ตั้งอยู่ได้ดับได้กำหนดให้มันเล็กได้ใหญ่หได้ขยายได้ ทำให้ชนานาญเองก่นมันจะได้ประโยชน์มันจะมีประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่แล้วแค่เกิดมีเม็ดวันหลังมันไม่เกิดอยากให้มันเกิดอีกสุดท้ายทำเพราะความอยากความอยากคืออะไรคือตัญหาแต่ก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าอยากให้มันเกิดอีกมันไม่เกิดเคยถามก้รบอาจารย์หลวเพอเถามหลวงปู่องค์งหนึ่งที่เป็นุ่นใหญ่ของหลวงปู่มัน่น ถามภาษาเด็กก็ไม่ได้แปลว่าไม่เคารพท่านเคารพแต่ว่าเดียวก่อนที่คุณเคยมือนก็เด็กคุยกับผู้ใหญ่ถามว่าปู่ครับปู่เห็นเทวดาไหมถามตรงๆผมปู่ท่านไม่ตอบอันนี้คือความยอเยียมของผูบ่าอาจารย์ท่านไม่ตอบว่เห็นหรือไม่เห็นว่างารบัญญิกลายเป็นอริอุตติริก ท่านท่านจะระวังระวังมากแต่ท่านไปนเลี่ยงตอบว่าถ้าอยากมันไม่เห็นถ้าไม่อยากเมื่อไหร่มันจะเห็นเห็นไหมแต่มันก็คือคําตอบนั่นแหละเพราะนั้นถ้าทําด้วยความอยากอยากเห็นอยากเป็นยนันนั่นนีเนี่ยมันไม่เห็นหรอกสุดท้ายจีตตา ม, มาคือทุกข์ทุกข์ขาแล้มันอยากเห็นแต่มันไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้น ในขณะจาการท้าเห็นแล้วเอินเป็นนิมิตแล้วจะอยู่กับนิมิตยังไงทำยังไงให้เป็นประโยชน์เพราะคนก็หลงนิมิตอีกกลายเป็นตัวเองเป็นผู้วิเศษผิโสกลายเป็นคนผู้รู้คนอื่นไม่รู้กลายเป็นภาวนาเก่งไปอีกต่างต่างที่บอกว่านิมิตเนี่ยสุดท้ายท่านให้พิจารณาลงที่ใจละอย่ า, าลืมทุกครั้งคือ ให้เห็นการเกิดขึ้นตังอยู่แล้วดับไปเมื่เห็นเกิดมันไม่ดบับเหมือนคนอะผลงานเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายมันต้องเป็นอย่างนั้นเราจึงเรียกว่าใจรักเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อธรรมที่สําคัญที่ควจะนําสู่หรือบอกเล่าสู่ผู้ราให้ฟังเพื่อเกิดความเข้าใจคือหลักการนี้แหละวันนี้วันถวายพระเพลิงก็อยากจะให้ พวกเราเข้าใจว่ารอยเพึ่งเขื่อนก็เห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสาระสังขารคือรูปรูปนี่แหละส่วนนามมันไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เหลือแต่รูปคือกายสังขารนั้นคือรูปธรรมคือรูปธรรมส่วนรูปธรรมก็ท่านก็นแสดงเฉว่าสุดท้ายคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ตัวที่มาดับผิวใจหรือจิตมันจะไปต่อยยังไงเนี่ยตัวนั้นต่างหากสภาวะจิตก็เช่นเดียวกันหลังจากที่ไม่สามารถที่อาศัยร่างนี้อยู่ได้ไม่สามารถที่อาศัยบ้านนี้อยู่ได้แล้วเขาจะไปไหนเหมือนเราที่เราฝันในขณะที่เราฝันเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ไม่คิดว่าเราตายหรอกในขณะที่เราฝันก็ก็ไม่ได้รู้ตัวมีความสติ ก็ฝันเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวกินก็กินยิงเตะก็เตะจริงจ ร, งจรงบางคนฝันดีๆแตะฝาก็มีโยกทธาเต็มตาออาพอเตะตังอารมณ์อ้าอเราฝั น, นมันแสดงออกพอมันไม่จริงก็สติก็เป็นกระหาตัวเองแต่พักเดี๋ยวก็ตัดขึ้นไปต่อคือฝันต่อการทําสมาธิก็เช่นเดียวกันในขณะที่ ก็มีสด็อยู่หลายคนที่ตั้งคำถามเดิมๆเก่าๆง่ายๆพื้นๆก็คือการทํำสมาธินั้นต้องหลับตาหรือลืมตาหายไปเรื่องใหญ่เลยนะบางฤทิบางทิกเขาบอกว่าการที่นั่งลำโพงหลับตาทําสมาธินั้นเขาบอกว่าเป็น เป็นผู้เดือดถีทำกันแรงนะเดือดถีก็คือนักบวชนอกศาสนาของพวกเราเนี่ยนะศาสนานีนักบวที่เราศาสนาเขาเรียกเดือดถีนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาะก็ตามเราเรียกโบนะัสหรือปริพาชกเรีย ก, ยกนิคนปุ๊บชินาเรวิเชนในพวกนี้เราไปเรียกเขาว่าเดือดถีล้วก็บอกว่าถ้าใคร นั่งละหลูละตาเ่ยกระือว่าเป็นสมาธิกับผู้ดีราธีก็ทํากันคพราะอย่างนั้นเป็นเรื่องพนาศียางเป็นรับผู้ใหญ่ด้วยนะพูดอ่ะเ ป, เป็นเรื่องพินาะศีไยานณตอนนั้นเขาไม่เข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าในขณะที่เราออ น, นอหลอนหลับเนะี่ยเราก็เป็นเดรธีกันหมดใช่ไหมเราเป็นเดรธีกันทุกคนแม้แต่คนพูดเองก็เป็นเดรธีนะ อยู่ขอให้มีสติจริงอยู่อุ้รของเราสอนสุดท้ายปลายทางคือต้องเกิดและเกิด ป, ปัญญาว่าจะเป็นลืมตาก็เริงหลับตาก็จริงีวันทําไมาต้องปอยให้หลับตาพอาองการให้เกิดพัฒนาคือจิตส่งไปข้างนอกถ้าไปเห็นแล้วจิตมันจะอยู่ข้างนอกเ ร, อเรื่องนั้นจิตมันก็ออกไปข้างนอกเป็นธรรมชาติอัตโนมัติของเขามันจะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีสติอยู่โอ้โหตาอยูกปากมันทําหน้าที่ของเขาตาเห็นรูป น, นั่นคือหน้าที่ของเขาเนาะส่วนเห็นแล้วเป็นอย่างไรไม่ใช่หน้าที่ของเขานะเช่ น, นเห็นตาเห็นรูปแล้วชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตานหูฟังแล้วชอบไม่ชอบคือได้ยินแล้วมันไม่เกี่ยวกับหูแล้วต่อให้มันไม่ชอบแล้วตอบหู ตอนไม่ชอบแล้วต่อยตาพูดกัอยู่แล้วต่อยปากเนีมันก็ไม่ได้อะไรเพราะคนที่ตัดสินคือใจมันอยู่ที่ใจมันไม่เกี่ยวกับหับตามาลืมตาประเด็นอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเพื่อคราเข้าใจตรงกันคือมันไม่ได้เกี่ยวมันอยู่อยู่ที่ใจทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าชัดเจนมีใจเพื่อเสดสุด สุดได้โดยใจใจของเราเนี่ยถ้าโทอปทุสร้ายคือใจคูณมัวใจเต็ ม, มไปด้วยความโลภความหลงจะพูดก็ดีจะทำก็ดีพาาราศติวาปรติวนทุกย่องไปตามบาคนนั้นทุกฝีก้าวีิ่เขาย่างไปทุกฝีก้าเหมือนกับโกบาลิพัท แต่อะไรที่มันลากเกวียนไปลากคำว่าลากนี่ปุ๊บลากเมื่อไหน่ล้อมันก็ขยับไปอบก้าวไปข้างหน้านั่นแหละคือคู่ความหมายที่แท้จริงเหมือนกับเราคนขับเกวียนมันก็คือจิตนี่แหละเกวียนก็คือร่างกายสังขารเราเจ้กโคสองตัวก็คือในบุญกับในบาป ที่กเราไปไม่เจ้าใดก็เจ้าหนึ่งที่า拉เราไปคนบังคับคือคนคือจิตแล้วจิตสั่งให้มันหยุดมันก็เดินต่อเนี่ยนี่คือสมาธิคือสมาหยุดนะครับชั่วข่าวกดไว้ทับไว้มันก็ไปต่อไม่ได้โคมันก็หยุดอัวมันก็หยุดล้อมันก็หยุดก็คือวัาตาคือมันหมุนหรือว่ามันก็หยุดทันทีอันนี้คืออุปมาอุปไมเปรียบเทียบ เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันที่บุญบาปขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าคือจิตเนี่ยเป็นกุศลอกุศลที่ขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าแต่เราไม่สามารถจะหยุดยัง้งคือระงับมันก็ขับเคลื่อนไปข้างหน้าไปเลยเหมือนตะโขโลหกกุยันไปถ้ามันลากไปเมื่อไหร่เจ้าบุญก็จะบาปแนะนําเราตามในบุญก็บาปคือถ้าไม่กุศลก็อกุศลตัวนี้เป็นเฉยๆคือ อ, อุเป ข, ขามันน้อยมันทําได้น้อย ตอะ น, นั้นอุเบกขาคือสมาธินี่แหละที่จะวางอารมณ์นาได้เพราะสุดท้ายถ้าเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จะวางอะไรเลยเราก็จะเป็นอย่างนี้คือสุดท้ายวางไม่ได้ทั้งอย่างแล้วเรื่องใหญ่โตที่สุดก็คือขันรูปธรรมนามธรรมขันห้าธาตุสี่ที่มีอยู่เราจะวางได้อย่างไรก็แม้แต่ซากก็ยังวางไม่ได้ยกเว้นเรานอนหลับนั่ะแต่ว่านอนหลับมันไะม่สติหนึ ดังนั้นจิตที่มันไปต่อคือจิตที่มันจะเกาะรูปมันไม่ใช่ไม่มีรูปนะเวทนาสัญญาสังขารญาณสี่ตัวเนาะมันมีแค่นามในนี้แค่ชื่อมันทําอะไรไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีรูปไปด้วยรูปก็คือรูปละเอียดทมันนึกขึ้นมาเป็นภาพนั่นแหละตัวที่มันพาไปจิตมันตั้งอยู่ตรงนั้นเร็วที่ีจิตมันเป็นที่ตั้งของจิต ทีนี้ที่ทีท่เจตเกิดขึน้นสติมันไม่มีปัญญาไม่เกิดเนี่ยก็เป็นโมหะครอบงํามันก็หลงมันก็พาเราหลงหลงไปลงมาอยู่อย่างนี้ก็เรื่อง่อวัตะก็วนวนอยู่ในกา ย, ยกรรมวิจกรรมมโนกรรมไม่ไปไหนมาไหนมันคือคำว่าวนหรือคำว่าวัตฏะส่วนจะวนม า, มาเป็นพบเป็นชาติหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งยุทธิการกระทรําเรกวกรรม การกระทาที้เกิดจากความคิดคํำพูด ก, การทำก็คือกายกรรมวิญญกรรมมโนกรรมอื่นก็อยู่ในตัวเราเองแหละตอนนั้นถ้าเราไม่สามารถที่เข้าใจเข้าใจเข้าถึงใจตัวเราเองไม่สามารถเชยนะครับแบ่ยังควบคุมที่มันแสดงเป็นพฤติกรรมแสดงออกการเกิดทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะรู้มาได้เลยการตั้งอยู่ของมันการดับไปของมัน นี่คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างแท้จริงที่เรียกว่าเป็นใจนะมันไม่ใช่แค่คนเกิดคนแก่คนเจ็บแล้วคนตายอันนั้นมันง่ายป่วยให้เด็กฟังไงมันก็เข้าใจแต่ถ้าเป็นเรื่องละเอียดอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือการเกิดนั่นแหละก็จะเป็นเกิดที่เป็นเกิดอกุศลเรื่องดีอกุศลก็ดีถ้าเราไม่ฝึกคือทับใจเป็นกลางก็จะไม่รู้เลย ว่าสุขะเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นสุขใจทุกขะเกิดขึ้นคือของลลำบากหรืออาจขัดข้อทนไม่ได้เรวทุกใจแล้วจะอยู่กับเขาอย่างไงจะอยู่กับสุขใจอย่างไงจะอยู่กับทุกขใจอย่างไงถ้าไปอยู่อเปกขาคือวางก็อยู่อย่างไรก็อยู่วางวางสุขะวางทุกขะอยู่กับโอเปร่าอยู่ตรงกลางอ่ะคือวิธีอยู่ก็คือสมาธิเอง เพราะนั้นถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจะไปวางเสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเดี๋ยวมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทด้ยังไงคำว่าจิตสมาธิคือจิตที่มีสติความหมายชัดเจนสติอยู่ในตัวไม่ใช่อยู่นอกตัวก็ลืมตาปุ๊บสติมันอยู่ข้างนอกแล้ววิ่งไปข้างนอกทันทีันเอาน้ํานอกตัวแก้ไขไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ถ้าสติมันอยู่ในตัวเราแก้ไขคือเรารู้ตัวหลวพอจะพูดอยู่เสมอ ว, ว่าเบื้องต้น ฝึกให้พวกเราเนี่ยรู้ตัวทุกวิธีการทุกวิธีทางให้เรารู้ตัวยังไงก็ได้ให้รู้ตัวเองเนี่ยคือให้รู้สึกตัวพูดยังไงพอรู้สึกตัวคือต้องเอาสติมันแนบว่าจะนะใช่ไหมครับเอาแน่ไปกับตัวเองแต่มันใกล้สุดนี่คือการรู้ตัวพอรู้ตัวอยู่นี่ทีๆไปบ่อยนานๆเนี่ยจะจากรู้ตัวจะกลายเป็นตัวรู้ตกลับกัน ตัวรู้นะง่ายที่สุดในคำนิยามและการจำกัดความง่ายเพื่อเป็นนามของปุยตหรือพุทโธผลจึงไปชื่อเรียกเสียงว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ไปชื่อไม่มีนามแล้วก็กพี่เกียรติกล่าวปุจ้าเป็นอาการของใจที่มันรับรู้ว่าเออ ม, มันเป็น เป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้ว่าเป็นผู้ตื่นมันเป็นผู้เบิกบานแต่พูดอย่างงายก็คือมันไม่หลับทั้เองทางหลับมันก็จะไม่รู้พอหลับเมื่อไหร่เราไม่รู้ตัวเหมือนพวกเรานะำใรมชาติหลับไปไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยต้องการให้เรารู้ตัวจนเกิดจนเกิดตัวรู้ตัวรู้ขึ้นมาเมื่อใจมันมีตัวรู้ขึ้นมามีพูโทโธขึ้นมานะเรียกว่าภาวนาเป็นน่ะ คอยยกใจขึ้นมาพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปของสรรพสิ่งก็สรรพสัตว์ทั้งหลายความมาเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปไโดยตัวเองเป็นแกมแกนกลางเพราะว่าคนอื่นนี้เหมือนกันหมดมีเหมือนกันตรงไหนคือมีธาตุมีขันอายตนะรณะคือที่เชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอกเหมือนกันหมด ไม่มีอะไรจ่มันต่างกันเลยธาตุสี่กรอบเหมือนกันดีนน้ำไปฟลมมีใครที่ไม่มีไม่มีธาตุธาตุสี่ขันกันห้าคือรูปจะเป็นสภาวะรูปที่เป็นนามก็ ค, คือเวทนาจิตนิสัยยิ่งย่างไอง ต, ตัวนี้แหละที่มันมีกําลังมีพลังที่จะทําให้เราขับเคลื่อนไปไปดีไปไม่ดีไปสูงไปต่าเป็นดําเป็นขาวก็เพราะว่าอันนี้ ถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้มลยจิตมันประโยชน์ของนอกต่อให้อยู่เป็นร้อยปีก็มีประโยชน์มีประโยชน์อะไรหมดเปรียบเทียบบางเหมือนกับสายน้าภูเขาต้นไม้เขาก็อยู่ได้เป็นร้อยปีแก่กับเราเห็นได้ประโยชน์อะไรมนะั้ยไม่ได้ประโยชน์นี่ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีอายุยืนเป็นสองร้อยปีถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้การเกิดของเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ไมไดไปอยไดเลยเพระนั้นวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งที่พระองค์สอนพวกเราหลังจากผู้อภิภานแล้วสลายร่างถวายพ่ะเพลินในวันนี้ก็ถือเป็นวันสําคัญวันหนึ่งก็ถือว่าพระองค์สอนเราพอไปพูดโดยสุขสอนจนวาระสุดท้ายก่อนที่จะล้มตัวลงแล้วก็บวชพระเนี่ยบวชจนวาระสุดท้าย แม้แต่นอนลองรับคนที่เข้ามาจริงๆอวยไว้ก็จะมาทำหนึ่งมาขอบวชก็บวชให้เป็นคนสุดท้ายคือสุภะทือ ส, สวาวกคนสุดท้ายา ท, นนที่องค์บวชจะนั่งพงค์ขณนอนชี้หะสายญาติยาวทุกคนนิ่งเงียบในขณะที่นั้นนิ่งเงียบพวกก็ทําที่พระองค์มีอยู่แล้วแต่สมัยเป็นคารวะญจติชมคือชานเการเข้าชานออกชานเข้าชานออกการ ท่านที่เป็นรูปฌานคือรูปนั่นแหละอารูปฌานก็คือน้ำทั้งสองอย่างสุดท้ายท่านก็วางทงรูปแล้วก็อารูปไม่งั้นก็จะไปพรมไปอรูปภพพรมแต่ก็ไปต่อจ น, นแต่ก็อยู่หลายหมื่นปีเป็นหมืนม่นปีพวกองค์ทำให้ดูสุดท้ายก็ปล่อยก็วางนี่คือการละตอดปล่อยวางอย่างแท้จริงถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดอย่างนี้เราจะปล่อยได้ยังไง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเวทนาถ้ามันกล้ามันแรงมากๆเนี่ยจิตมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวหรวพอหลายรอบแล้วที่โดนเวทนามันเผามันเผาจูกระดับร่างกายไม่ไหวไม่ไหวกระดับไหนยกแขนก็ไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้นอนรอความตาย จนหามส่งลงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลก็รู้สึกประยงะองระยางไปหมดซึ่งก็ไม่รู้เป็นอะไรตอ น, นสุดท้ายแต่ว่าความรู้สึกสติมันมีแต่ตาทำหน้าที่ไม่ได้มันได้ยินหมดหมอพูดอะไรรอบตัวรอบข้างสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็่เเห็นมันรู้มันเห็นมันปรากฏเห็นหมอจิตออกจากหน้ามันเป็นอิมมิตีหนึ่งเป็นภูมิหนึ่ง ก็อยู่เหมือนปกติของพวกเราอยู่นี่เขาก็อยู่ของเขาแต่เขาอาศัยรูปละเอียดที่เจิตมันยึดเอาไว้ไม่มีรูปหยาบอย่างพวกเราของเราถือเป็นรูปหยาบแต่พิเศษก็เกิดทุกวันที่คเราใช้อยู่เป็นรูปหยาบหยาบมากมากแต่เต็มไปด้วยความทุกข์คือต้องบริหารจัดการถ้าวันไหนไม่บริหารจัดการเนี่ยลาบากทุกเรื่องจะเป็นตาหูจมูกปากทุกเรื่องเลยถ้าไม่บริหารจัดการให้ดีเนี่ย เราทุกข์ค่ะคืออยู่ยากทนยากอยู่ไม่ได้ต้องระบายต้องจัดการบริหารแต่สภาว่าเขา น, นไม่ใช่สภาขเขาเขาคนละอย่างคนละเรื่องถ้าภาษาเราก่ายคือสลบสลายสวันสี่คืนอยู่อย่างนั้นภาษาเรโยงอย่างแต่ว่ารุ่นตัวโหแต่วรุยว่ยแรง มาต่อต้านอลไไม่ได้เล้วยกแขนยังไม่ไหวแต่ว่าโชคดีที่มันฟื้นมันกลับเข้ามาได้ลังกันได้อีกรอบสองกนะ็หนักเพราะอะไรเพราะว่ากําลังกายมันไม่มีมันไม่ได้ชันอะไรเลยร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเยะเข้าใจว่าโอร่างกายเราที่เราอยู่เราดื่มเรากินทุวันแท้ที่จริงคือ เพื่อบำบัดไปธนาเพื่อมาให้มีเวทนากราเนี่ยแต่เราไปคิดว่ากินผู้ความอิ่มหนีพีมันกินผู้ความอรรถอร่อยไปโน่นกินไปให้ถูกเลี้ยงถูกปากถูกใจเราเข้าใจผิดนะเราลืมไปตอนมันอร่อยตอนไม่อร่อยเราไม่คิดผู้ดึงนะก็ได้ธรรมะทุกครั้งทุกขณะทุกครั้นทุกตอ น, น, นในขณะ ท, ที่ลมหายใจจะออกไปก็บอกว่า ลมหายใจมันเป็นลมหายใจที่มันละเอียดมากไม่ใช่ลมหายใจใอย่ๆเป็นเพราะนั้นถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยส้าหรบคนที่ไม่เคยฝึกเลยไม่รู้จักลมหยาบลมกลางลมละเอียดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีชีวิตชี ว, ช ว, ชวูเพราะลมมันมันแผ่วมันเบามันละเอียดมากก็อยู่กับลมละเอียดคืออันในขณะที่อยู่ละเอียดความรู้สึกคือสติ มันก็บอกว่าจะอยู่หรือจะไปถ้าถ้าจะไปก็แค่กําหนดลมหายใจเพราะะฉนั้นเอาเอวัยวะที่มีอยู่ภายในทั้งหมดเนี่ยมันก็จะออกตามถวาวรทั้งหมดที่มีอยู่เราเรียกว่าตายจิตมัก็ออกไปแต่ร่างกายมันก็อยู่สภาวะคือใช้กายไม่ได้แล้วแต่เธอวันบอกว่ายัางไปไม่ได้ภาระราธุระที่มีอยู่ พราะนั้นรอดมาถึงทุกวันที่พวกเราเนี่ยก็เรียกว่ารอดตายมาหลายรอบแล้วเีผู้บาอาจารย์ไม่ใช่ว่าอยู่ง่ายกินง่ายเหมือนเราอย่างพวกเราทุกคนองคูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละโพลแต่ละนามก็จะมานั่งพูดเป่าขยายความให้พวกเราฟังเป็นที่พึ่งได้ได้นิดนิดน่อยอาจจะไม่มากไม่มากถ้าว่าคูบาอาจารย์ใจตัแต่ก็ประสบการณ์ตรงสําคัญมากแม้แต่อบทอสัสไต ก็พูดถึงเรื่องนี้นะว่าถ้าศาสนาใดๆในโลกนี้ที่จะเรียกเป็นศาสนากลของจักรวาลของอะไรก็แล้วแต่ศาสนาอื่นไม่มีเลยนอกจากพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาต้องประจักษ์ด้วยตนเองไม่ใช่คนไปบอกไปชี้ให้เชื่อไม่ใช่เจ้าต้องเชื่อว่าอยู่เป็นตายแล้วไปอยู่กับเบื้องบนต้องให้เชื่ออย่างนี้ถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ เจ้าก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่พุทธศาสนานนะั้ต้องประสบการณ์ตรงคือต้องแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองนี่คือข้อแตกต่างเพราะนั้นผู้ธเจ้าจึงเป็นลักษณะของบุคคลที่เชื่อว่าจะเป็นที่พึ่งเพราะว่าพราะองค์เอาตัวเองทดสอบทดลองทุกอย่างทุกเรืร่องด้วยตนเอง ผู้เชื่อขอเราจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่นักคิดนะไม่ใช่นักปรัชญานะะศาสน า, าของเราไม่ใช่ศาสน า, าของปรัชญานะเป็นศาสนาของคนที่มีเหตุมีผลและความจริงเรื่อำคัญสามเรื่องข้นีน้เป็นจุดเด่นของศาสนาของเราไม่ใช่สักแต่ว่าเขาเล่าว่าเขาพูดว่าเจ้าจงเชื่อว่าเราพิสูจน์อะไรไม่ได้ ส่ดได้เฉพาะจะเป็นบันทึก อ, อะไรบันทอะไรก็ไม่รู้แต่ผู้เจ้าทนเองแล้วที่สาคัญหนึ่งคือผู้เจ้าบอกเจ้าต้องทํำด้วยตนเองต้องเรียนรู้ต้องศึกษาทั้งเข้าใจทดสอบทดลองเรียนผ็ดเรียนถูกด้วยตนเอ ง, ง, ง, ง, ง, งแม้ลมหายใจสุดท้ายที่มีอยู่เจ้าก็ต้องตรวจสอบดูเองว่าถ้าหมดลมเมื่อไหร่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความเราจึงดูลมเป็นหลักระล ม, มนั้นสําคัญมากถ้าคำ น, นี้ฝึกในโอ อายใจไม่เป็นในอันตรายอะ่าไปดูแค่ลมหยาบอย่างเดียวการลงละเอียดที่มันอยู่จนเหลือแต่ใจะภาวะลมหายใจสําคัญมากๆถ้าไม่มีสญญามอย่างนะี่กับมดไม่ว่าคนรู้สัตว์ทั้งหลายมดแล้วก็จะเหลือแค่สี่ตัวคือเวท น, นาจัญญานนการอีกอย่างที่มันเกาะรูปเอาไปแต่แต่ก่อนในสภาวะที่ใจมันไม่มีอะไรเลยใจไม่มีกุศล ใจมีแต่อคุสนใจเป็นบาปใจเป็นสีดำแต่มันมืดอาจจะ ม, มองเห็นอะไรได้อันนี่สิ่งที่น่าเป็นห่วงสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นองหาทางพยายามศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ เ, เร็วที่สเท่าที่เราได้และทีส่สาคัญคือหัดปล่อยหัดวางทุกวันใครแต่ควรจะปล่อย แต่ก็ปล่อยอะไรที่วางได้ก็วางไม่ใช่ว่าไปยึดไปเก็บไว้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดหรือการกระทํามันวางอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยมันอันตรายนะว่าจิตสุดท้ายมันนึกอะไรขึ้นมาเป็นมโนภาพคือภาพทางใจนั่นคือพบพบก็คือภาพอันเดียวกันพบที่เราจะต้องไปภาพที่เราจะต้องไปคืออันนั้นภาพในปรก เราคนที่ไม่ฝึกแล้วอันตรายต้องบอกเลยว่าอันตรายผมจะลืมว่ามนุษย์กับสบัตว์รสาททั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกใบนี้มนุษย์มีแค่แปดพันล้านแต่สัตว์าทั้งหลายละ่ะมีเท่าไหรนับไม่ทวนเลยในมนุษย์แปดพันล้านมีใครบ้างที่เข้าใจเรียนรู้อาการาศาสนาในมนุษย์แปดพันล้านคนที่ไม่นับถือาศาสนาใดๆเลยเยอะมากนะ เะมากๆคือไม่เนื้ทืออะไรเลยไนื้อทื่อตัวเองคนที่กาลังลังเลกำลังตัดใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำหรือเปล่าอันนี้ก็มีเพียงแต่ห้อยสัญลักษณ์จะไปเจอแต่ใจไม่เอาในขณะทียกันพุทธเราเองก็เช่นเดียวกันคนที่ยังเข้าไม่ถึงพระรัตนใจอย่างแท้จริงก็ยังมีอีกเยอะต้องระวังตัวนี้ ผลพระราชตรัสรายยังไม่เคยแก่รอ ย, อยไม่เข้าถึงไม่สามารถที่เป็นที่เพึ่งทางแก่รอยได้ไม่สามารถที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างว่เราได้มันลําบากเนะประการต่อมาคือสินแต่ก็ต้องไม่ไม่ต้องไปห่วงมากเราในขณะที่เราปฏิบัติทุกครั้งเลยไม่ต้องไปห่วงเรื่องสินกายวาจามันเป็นสินทันทีในทาปฏิบัติทุกครั้ง ที่เราลงมาปฏิบัติมันจะเป็นศินมีสินทันทีศิลราบริสุทธิ์ทันทีไม่ต้องไปห่วงกองพวกนี้ถึงแม้เราขอหรือไม่ขอจาพระถึงแม้ไม่ใช่วันพระวันธรรมดาก็เป็นสินทันทีนี่คืออันที่สองรือผลพลอยได้สำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายหรืออย่างเดียวตัวนี้คือเรายัางไม่เข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปคนใจเราเองเราสรรพสิ่งได้เกิดขึ้น กับจิตกับใจของพวกเราทีนี้ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์พิจารณาดูแลเอาใจใส่ในแต่ละวันในแต่ละขณะ่จิตมันก็จะคล่องอยู่สไตช์จะทุกข์ก็จะตามมาจะทุกข์เพราะนั่นนี่นู่นอันตรายน่ะมันวางไม่ได้เพราะนั้นก็ฝางโปราในวันสําคัญในวันนี้ในวันสลายร่างของคุณยะของเราคือจะมันถวายพืระพึงปฏิอัติยูปัจจในวันนี้ก็หวังอย่งนว่าเราจะได้คติธรรม จากการเกิดแก่เจ็บตายด้วยว่าคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่พระองค์ก็ไม่เป็นในกฎข้อนี้พวกเราก็เช่นเดียวกันอันนี้คือหลักธรรมคาสอนที่ตั้งแต่โบราณการมาจนถึงปัจจุบันก็ใช้ต่อๆกันมาก็่อกต่อๆกันมาแล่าต่อขึ้นไปหวังว่าเราคงเขาไปสืบไปทอดไปต่อยอดให้มีมากขึ้นทีขึ้นความสําเร็จก็จะเกิดกับพวกเรา อยู่บนโลกก็สิทธทางโลกอยู่ทางธรรมก็สิทธิทางธรรมขอให้เราทั้งหลายได้ในความสําเร็จทั้งทางโลกและทางทางทุกคนทุกท่านเจิอน